จนกระทั่งข้ามาหมอไทยแลเราก็ต้องเรียนอีกหลายปีจากตำกับการทำรายงานการสอบนะกว่าจะได้ปริญญาพอจะมีวิชาไปทำมาหากินได้ก็หลายปีพวกเราส่วนใหญ่นะก็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 อินเดียคนหนึ่งนะชื่ออารังเซปนะอารังเซปนี่นเป็นจั ก, กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากที่ขยายดินแดงของอินเดียไปทั่วจัดว่าเป็นจั ก, กรพรรดิที่ในเวลานั้นเมื่อสองสามร้อยปีที่แล้วนี่ครอบครองประชากรถึงหนึ่งในสี่ของโลกนะอินเดียมันคนประชากรนี่มัน ม, นมหาศาลจริงๆ อัลังเซฟนี่หลายคนจะไม่รู้จักแต่ถ้าพูดถึงทัชมาฮานี่หลายคนก็คงจะรู้นะทัชมาฮานี่คืออะไรพ่อของอาลังเซฟเนี่ยสร้างชาชานแต่ว่าสร้างแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกลูกคือออลลังเซฟยึดอำนาจตัวเองก็ถูกคุมขังอยู่ใน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 แ้วถ้าเชื่อในเรื่องของพบหน้านะก็เตรียมเตรียมรับกรรมที่จะต้องประสบในพบหน้าได้เลยพี่าชีวิตน้สอนเราว่าสุขกับทุกนี่เป็นของคู่กันได้ลาบกับเสื่อมลาบเป็นของคู่กันได้ยศกับเสื่อมยศเป็นของคู่กันสารเสวนกับนินทาเป็นของคู่กัน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 ถ้าไปยึดมาแบบนั้นแล้วเนี่ยถึงคราวที่ราบยศสารเสริญมันเสื่อมสลายหายไปนะก็จะกลุ่มอกกลุ่มใจหรือว่าหมดอะไรตายอยาท้อแท้กับชีวิตคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าธุรกิจล้มละลายนะมันมีนับไม่ถ่วนเป็นข่าวอยู่ บ, บ่อย เดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอให้ให้รวยซะก่อนนะแล้วค่อยมาประสบกับความสูญเสียพิรุนานะเดี๋ยวนี้แค่เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึง20ผิดหวังในความรักก็ฆ่าตัวตายแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะไม่เรียนวิชาชีวิตนะเพราะทะเลวิชาชีิตก็จะรู้ว่า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 แล้วก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จั ก, กวางทําไมบางคนเขาถูกทิ้งหรือว่าผิดหวังในความรักแต่เขาไม่ทุกข์นะเขากลับแกร่งเขากลับฉลาดกว่าเดิมนะคนที่เรียนวิชาชีวิตเนี่ยนะเมื่อเจอทุกข์เนี่ยนะเมื่อเจอความพัดพร่าความสูญเสีย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 แต่ผู้ชายนี่หลงรักเธอว่าปักปว่าปัม๊มพอรู้ความจริงเขาก็ทาใจไม่ได้โกรธเกลียดนะไอความรักนี่มันกลายเป็นโกรธและเกลียดนี่เร็วมากเลยนะนะเพราะว่าสุขกับทุกข์รักกับเกลียดนี่มันหน้ามือกับหลังมือนี่แหละรักมากก็เกลียดมากพอไม่สมหัอ ก, ก็เปลี่ยนเป็นความเกลียดทันทีนั้นนี่ถ้าใครไม่เรียนวิชาชีวิตก็ไม่รู้นะ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 ก็ทุกมากเสียใจมากจนถนึงขั้นว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพอส่วนชุดนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วชุดนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้ ว, ล แ, ลวแต่ว่ายัางดีที่นึกถึงแม่นะก็เลยไม่ไม่ฆ่าตัวตายแต่ก็ขอขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่อยากจะเจอคนที่เคยเห็นเธอในสภาพที่สวย เกิดความอับอายขึ้นมาก็ผ่านไปอีก 2-3 ปีนะปรากฏว่าเธอทำใจได้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่จะทำใจนะแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่ค่าตัวตายก็ไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไปเป็นพนักงาน call center ทุกวันก็นั่งรถไฟฟ้า ไปทำงานไม่รู้ไม่รู้ไม่ ร, ม ร, มรู้ไม่รู้สึกอับอายกับหน้าตาของตัวเองไม่ปิดบังหน้าตาของตัวด้วยเคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายที่ทําให้เธอเสียโฉมไหมเธอบอกว่าไม่รู้สึกโกรธเลยนะตอนนี้นะไม่รู้สึกโกรธเลยอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำํำที่ทําให้เป็นแบบนี้เพราะว่ามันทําให้เธอเนี่ยได้อยู่กับ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 เธอก็ได้คิดว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยคือไม่เสียโชมเนี่ยพอแก่ตัวมันก็ต้องเสียไปต้องเสียเสื่อมไปอยู่นั่นเองฉนั้นเหตุการณ์นี้มันทำให้เธอได้รู้จักปล่อยวางแล้วเธอบอกว่าพอปล่อยวางเรื่องตัวเองได้แล้วเนี่ยเรื่องอื่นก็ปล่อยวางง่ายแต่ก่อนนี้เธอแคร์คำพูดหรือสายตาขคนอื่นที่มีต่อตัวเธอแต่เดี๋ยวนี้เธอเฉยๆแล้ว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 ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นของชั่วคราวแล้ววันสักวันหนึงก็จะยิ้มได้นแต่ว่าของเธอนี่เธอได้เรียนรู้มากไปก่อ น, นั้นนะได้เลยรู้ว่ามันทุกข์คนเราทุกข์เพราะความยึดติดนะทุกข์เพราะความยึดติดที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะยึดติดในหน้าตาในรูปร่างแต่พอปล่อยวางแล้วนี่เบาเลยนะ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 ปล่อยให้ทุกข์มันกระทำย่ำยีไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียความพัดพราดความแก่ความเจ็บนะความล้มเหลวแต่คนที่ฉลาดนะพอผ่านโลกผ่านชีวิตหรือว่าเรียนรู้วิชาชีวิตมา น, นี่เขาสามารถที่จะหาประโยชน์จากมันหรือใช้มันเพื่อทำให้เขาเนี่ยฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นแร็งกว่าเดิม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 แม้เจอความล้มเหลวเจอความทุกข์เจอความพัดพ่าความแก่ความเจ็บความป่วยนะก็ยังรักษาใจปกติได้หรือว่ามีปัญญายิ่งกว่าเดิมอย่างที่ท้าจาพูดท่าวันเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีนะคนที่จะทำงั้นได้นี่ก็ต้องมีนะวิชาชีวิตนะเป็น เป็นพื้นฐานเจออะไรก็ไม่เสียผู้เสียคนไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีหรือร้ายนะแต่ว่าเข้มแข็งกว่าเดิมวิชาชีวิตนี่มันต่างจากวิชาทั้งโลกในะวิชาทั้งโลกนี่เรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเยอะนะวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิศวะวิชาบัญชีวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้ใช้ก็เยอะนะคือ บางคนจบวิศวะก็ไปเป็นผู้บริหารธนาคารบางคนเรียนหมอจบมาก็ไปเป็นช่างกล้องหรือแต่งเพลงนะแต่วิชาชีวิตนี้ได้ใช้นะได้ใช้ทุกเวลาได้ใช้ทุกขณะเพราะวิชาชีวิตมาถึงการที่รักษาใจรักษากายวาจัยปกติซึ่งเราจะเป็นต้องมีถ้ารักษากายวาจายใจปกติได้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 สูญเสียเงินทองหรือไม่หนักกว่านั้นคือไปฆ่าคนอื่นฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อเอาทรัพย์สมบัตนะิอันนี้ก็เป็นข่าวที่เราเห็นได้ทั่วไปอ่านโลกอ่านชีวิตเราก็ต้องอ่านใจตัวเองด้วยนะถ้าเรารู้จักอ่านใจดูใจของเราเนี่เราก็จะได้เรืรู้อะไรมากเกี่ยวกับชีวิตนะแล้วเราก็จะรู้ว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเกิดจากอะไร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 การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจตริตของตนให้ขาวรอบเนี่ยอันนี้เป็นการปฏิบัตินะที่สรุปรวดยอดอยู่ในโอวาทปฏิโมกที่ชัดเจนมากไม่ต้องมากแค่3อย่างเท่านั้นแหละละชั่วทำดีรักษาใจชำระใจให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์มันก็จะทำให้ชื่อเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบเย็น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 เรื่องการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่คนมักจะมองข้ามโดยเพราะในปัจจุบันนี้ก็คนไปหลงหลายเงินทองความสำเร็จก็แห่กันไปเรียนเรื่องวิชาทางโลกมากแม้กระทั่งพ่อแม่ก็พยายามเคี่ยวเขียนลูกนะให้เอาดีทางนีนะ้บางทีเคี่ยวเขียนจนกระทั่งลูกนี่เครียดนะหรือบางทีลูกนี่ก็ยอมทำสิ่งที่ผิดนะ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 ก็กลับสอบตกวิชาชีวิตนะคือไปคดโกงเขไปขโมยนะซึ่งมันไม่ก็ไ ม, ม่มีทางจะเจริญได้คือแม้แต่บางคนก็อาจจะแม้จะไม่ทำชั่วนะแต่ว่าก็ไปทุ่มเทกับสิ่งที่มันให้ความสุริยโชวคราวสุดท้ายก็ประสบความสุริยโช ก, กจริงนะแต่ว่าพอเกิดเหตุวิกฤตขึ้นมาในชีวิตนะชีวิตก็พลิกผัน